การฝึกอบรมความประพฤติอย่างที่สองการฝึกศีลที่ใช้โยนิโสมนสิการกำกับเป็นวิธีที่เน้นความเข้าใจในความหมายของการกระทําหรือการปฏิบัติทุกอย่างคือปฏิบัติการด้วยโยนิโสมนสิการหรือใช้โยนิโสมนสิการนําและคุมพฤติกรรมดังตัวอย่างเรื่องการแต่งกายที่นอกจากคํานึงถึงคุณค่าเพื่อชีวิตคือปกปิดและปกป้องร่างกาย จากหนาวร้อนและความละอายเป็นต้นแล้วโยนิโสมนสิการยังช่วยให้กำเนึดในทางเกื้อกูลแก่ผู้อื่นและแก่สังคมอีกด้วยเช่นทำใจว่าเราจะแต่งตัวให้สะอาดเรียบร้อยอย่างนี้เพื่อความเป็นระเบียบดีงามของสังคมเพื่อรักษาจิตใจของคนอื่นที่เข้าพบเห็นให้เป็นกุศลเพื่อช่วยเสริมบรรยากาศให้คนอื่นๆมีจิตใจผ่องใสโน้มน้อมไปในความดีงามไม่อวดโก้อวดฐานะ หรือจะล่อใจเราอากุศลผู้อื่นให้หลงไหลติดพันหรือมีจิตคิดแง่งอนว่าจะทำตามใจฉันใครจะว่าอย่างไรก็ช่างดังที่ได้กล่าวมาแล้วตามวิธีนี้กัะยาณมิตรเช่นครูจะช่วยได้โดยแนะแนวความคิดให้เห็นช่องทางพิจารณาและเข้าใจความหมายของพฤติกรรมนั้นๆไว้ก่อนแต่เมื่อถึงเวลาปฏิบัตินักเรียนหรือผู้ปฏิบัตินั้น จะต้องทำใจพิจารณาเอาเองทุกคราวทุกกรณีไปตัวอย่างอื่นอีกเช่นในการไหว้กราบแสดงความเคารพผู้กราบไหว้พระสงฆ์หรือแสดงความเคารพผู้ใหญ่กว่าอาจทาใจให้เข้ากับความหมายที่ถูกต้องดีงามเป็นกุศลของการกระทาในกรณีนั้นๆและเวลานั้นๆดังเช่นว่าเราขอกราบไหว้เพื่อเป็นการฝึกตน ให้เป็นคนอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างหรือเรากราบไหว้เพื่อเชิดชู ร, ระเบียบเพื่อความดีงามของสังคมหรือเรากราบไหว้เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งการเทริดทูนทำที่ท่านผู้นั้นเป็นตัวแทนอยู่หรือเรากราบไหว้ด้วยเมตตาหวังดีหวังประโยชน์แก่ท่านผู้นั้นเพื่อเป็นเครื่องช่วยระวังรักษาท่านให้ดํารงตนอยู่ในภาวะและฐานะที่ดีงามเหมาะสม หรืออย่างน้อยที่สุดว่าเรากราบไหว้นี้เป็นการจับประพฤติ ธ, ธรรมในส่วนของตัวเราให้ถูกต้องให้ดีงามที่สุดของเราก็แล้วกันดังนี้เป็นต้นทางฝ่ายพระสงค์ผู้ใหญ่หรือครูที่เป็นผู้จะได้รับความเคารพกราบไหว้ก็อาจทำใจเมื่อเขากราบไหว้เคารพตนเช่นนึกเป็นโอกาสที่ได้สำรวจตน ว่าเรายังเป็นผู้มีคุณธรรมความประพฤติสมควรแก่การได้รับความเคารพกราบไหว้อยู่หรือไม่หรือนึกว่าท่านผู้นี้อยู่ในฐานะที่เราพึงแนะนําได้เขากราบไหว้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรเป็นโอกาสที่เราจะรู้ไว้และค่อยนํามาแนะนําด้วยความหวังดีต่อไปหรือมีใจอนุโมทนาว่าท่านผู้นี้คนผู้นี้จ้างเป็นผู้มีคุณธรรมสูง รู้จักรักระเบียบของสังคมรู้จักให้เกียรติเท่าตูนทำหรือทำใจว่าเอาเถิดว่ากันไปตามสมมติของโลกแล้วแต่จะทำอย่างไรให้โลกมันดีก็เอาดังนี้เป็นต้นเมื่อทำใจด้วยโยนิโสมนัสิการอย่างนี้ก็จะมีความมั่นใจในการกระทำของตนและจะไม่เกิดอกุศลธรรมเข้าครอบงำจิตด้วยเช่น ทางฝ่ายผู้กราบไหว้ก็จะไม่ต้องมาถือเทียบเขาเทียบเราด้วยกิเลสแห่งความยึดติดถือมั่นในตัวตนว่าเขามีดีอะไรเราจะต้องไหว้เราดีกว่าเขาเสอีกจะไหว้ทําไมดังนี้เป็นตน้นทางฝ่ายผู้จะได้รับการแสดงความเคารพก็จะไม่ต้องเกิดกิเลสคอยระแวงหรือโทมนัตน้อยใจแค้นเคืองเช่นว่าทําไมคนนี้ไม่ไหว้เราทําไมคนนั้นไหว้ ด้วยอาการไม่ถูกใจเราหรือลุ่มหลงลืมตัวว่าเรานี้เป็นผู้เลิศประเสริฐสูงผู้คนทั้งหลายพากันนอบนบกราบไหว้ดังนี้เป็นต้นตัวอย่างที่ยกมานี้ล้วนเป็นโยนิโสมนัสิการแบบเร้ากุศลธรรมและให้เกิดสัมมาทิฐิแบบโลกีเท่านั้นแต่ก็จะเห็นได้ว่าวิธีฝึกข้อสองคือการฝึกศีลที่ใช้โยนโสมนัสิกานกากับนี้ พระนีดลึกซึ้งกว่าวิธีที่หนึ่งที่ฝึกโดยอาศัยความเคยชินและศรัทธาวิธีฝึกแบบใช้โยนิโสมนสิการนี้สามารถป้องกันผลเสียคือการเกิดขึ้นของอากุศลธรรมที่จะเข้าแฝงซ้อนการปฏิบัติซึ่งวิธีที่หนึ่งป้องกันไม่ได้เป็นการปฏิบัติอย่างมั่นใจด้วยปัญญาทำให้เกิดความเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นเรื่อยไปพร้อมกันกับการฝึกศีลและปิดช่อง ที่จะกลายเป็นการประพฤติปฏิบัติศีลด้วยความงมงายที่เรียกว่าศีลพพะปะปรามาตวิธีฝึกที่ถูกต้องตามแนวของมรรคอย่างแท้จริงคือวิธีที่สองที่ใช้อยู่ในโสมนัสิการกำกับหากจะใช้วิธีที่หนึ่งที่ฝึกโดยอาศัยความเคยชินและศรัทธาควบไปด้วยก็น่าจะได้ผลดียิ่งขึ้นแต่จะใช้วิธีที่หนึ่งอย่างเดียวนับว่ายังไม่เพียงพอสาหรับการศึกษาที่แท้ เพราะในการศึกษาที่ถูกต้องภายนอกเริ่มต้น้วยการฝึกขั้นศีลแต่ภายในต้องใช้โยนิโสมนสิการสร้างปัญญาให้เกิดสัมมาทิฏฐิพร้อมกันแต่แรกเรื่อยไปและเมื่อทําอย่างนี้ก็เป็นการใช้โยนิโสมนสิกาในทางปฏิบัติซึ่งใช้ได้ตลอดเวลาในชีวิตประจาวันไม่ใช่รอเอาไว้พิจารณาความคิดอย่างเดียวที่ว่านั้นไม่ใช่แต่ในขั้นศีลนี้เท่านั้น แม้ในขั้นสมาธิและขั้นปัญญาแท้ๆก็จะต้องใช้โยนิโสมนัสิการอย่างนี้เรื่อยไปสมาทิฏฐิและองค์มรรคทั้งหลายภายในจึงจะเจริญแก่กล้ารั่งพร้อมยิ่งขึ้นได้โด ย, น, ยนัยนี้ก็จะมองเห็นความเจริญขององค์มรรคที่ควบไปกับการฝึกไตรสิกขากล่าวคือเมื่อมองจากข้างนอกหรือมองตามขั้นตอนใหญ่ ก็จะเห็นการฝึกอบรมตามลำดับขั้นของไตรสิกขาเป็นศีลสมาธิและปัญญาแต่เมื่อมองเข้าไปข้างในดูที่รายละเอียดของการทำงานก็จะเห็นองค์มร์ทั้งหลายเดินขวายทาหน้าที่กันอยู่หรือว่าบุคคลนั้นกำลังเดินตามมร์อยู่ตลอดเวลาพูดสรุปได้ว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องคือภายนอกฝึกตามไตรสิกขาไป ภายในก็เดินตามมักด้วยนี่คือความหมายของความที่ว่าเป็นการประสานขานรับกันทั้งระบบฝึกคนจากข้างนอกและระบบก้าวหน้าขององค์ธรรมที่อยู่ข้างใน